ธรรมะเป็นคำกลางก็มีศาสตราจารย์สอนทุกคนทุกแข่ก็ถูกดุแต่ว่าธรรมะแบ่งออกเป็นสองโ ล, โลกีธรรมโลกุตระธรรมธาตุก็แบ่งเป็นสองโลกียาธาตุโลกุตระธรราตุขันก็แบ่งเป็นสองโลกุตระขันโลกียขันอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ ก็แบ่งออกเป็นสองอินทรีย์เป็นใหญ่ในทางโลกีเป็นใหญ่ในทางโลกุตระอินทรีย์ก็ดีธาตุก็ดีขันก็ดีย่นลงมาเป็นมโมขันย่นลงมาเป็นมโมธาตุย่นลงมาเป็นมโมธรรมธรรมก็ดีธาตุก็ดีขันก็ดีแบ่งออกเป็นสองโลกียะขันโลกียะธาตุโลกียธรรมคิตก็แบ่งออกเป็น ยาโดยย่อบแบ่งออกเป็นสองโลคิจิตโลกุตรจิตโลกุตรจิตแบ่งออกเป็นสี่กิจของพระโสดาปัจมักโซดาปฏิผลกิจสักทาคายมักสักทาคายผลจิตพระนาคายมักนาคายผลกิจพระนภตะมักกิจพระนภตะผลแบ่งทำออกเป็นสี่เหมือนกันโสดาปัจมักโสดาปฏิผลเป็นธรรมชนิดหนึ่ง ชาคาทาใครมักชกาคาทาใผลก็เป็นธรรมระ ด, ดับหนึ่งอาณาใครมักาณาใคผลก็เป็นอนัตธรรมได้ระดับหนึ่งอนัขตมักธรรมอนัขตมักผลก็เป็นธรรมระ ด, ดับหนึ่งนี่ธรรมแปลว่ามีอยู่ทรงอยู่ถ้าไม่มีผู้รู้ธรรมธรรมมีอยู่ไม่ไม่มีไม่มีผู้รู้ธรรมธรรมก็아아ไม่อยู่แม่พระบรมาศรราสตรา ไมได้มาตัดเป็นทุกๆุคทำก็มีอยู่ทำแปลว่าทรงอยู่ไม่อยู่ใครจะรู้แล้วไม่รู้ไม่เป็นปัญหาทำเป็นเมืองขึ้นของผู้รู้แล้วไม่รู้หรือไม่ทำไม่เป็นเมืองขึ้นของผู้รู้และผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ว่ามีคลาวันคืนบาปบนคุณโทษเป็นเมืองขึ้นของผู้รู้แล้วไม่รู้หรือไม่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นเมืองขึ้นทีนี่คดีดําคดีแดงในโรงในศาล ชั่งะคดีดำคดีแดงในโรงในศาลจะชั่ระถูกหรือไม่ถูกก็าตามผลของกรรมย่อมสังขารจะนาให้ทีนี่ในโลกก็คือโลกทิพย์โลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์เหตุทิพย์ผลทิพย์เหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุรับตาผลก็มืดเม่นไห้แต่เสียตาหรือในที่มืดเม่นไหวแต่จักคุประชาดไม่ดีเหตุหลับผลก็หลับใครก็ผลมาอยู่หากกันพอเก้าใครเป็นต้นเหตุก็คือจิตใจเป็นต้นเหตุคนตายจิตใจไม่ได้อยู่ในที่นั้นเขาไปที่อื่นแล้ว ไม่ในรู้เหตุรู้ผลเมื่อสร้างเหตุตรงแล้วผลไม่ต้องสงกรับการส่วนควรค่าของเหตุในทางดีก็เหมือนกันในทางขั้วเหมือนกักนเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกันเหตุไปทางดีพืชไปทางดีกรรมไปทางดีก็ได้รับผลดีตามส่วนควรค่าของเหตุกรรมพืชที่สร้างขึ้นผลของเหตุผลของพืชก็ไหลลงมาสู่เหตุสู่พืชสู่กรรม กำแบ่งออกเป็นสกงกำดากำขาวกำดําคือกรำที่ไม่ดีกำขาวคือกรำที่ดีพืชดําก็ไม่ดีพืชขาวจึงดีเหตุดําเหต์ขาวก็มีความหมายอันเดียวกันผลของเหตุเหตุดํำผลของเหตุก็ดําเหต์ขาวผลของเหตุก็ขาวคือเหตุในทางดีพืชดํา ผล้องพืชก่อดาพืชขาวผลกล้องพืชก่อขาวมันกเข้ า, เขากันได้ซึ่งเรานี่เป็นหน้าที่นักวิจัยจะพิจารณาทางนั้นทีนี้อยากทราบว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำคำสอนที่ครอบโลกแล้วทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยทำไมจึงว่าอย่างนั้น พระพุทธศาสนามาเป็นยุคยุคยุคยุคยุคพระพุทธเจ้ามีมากกว่าร้อยโกดตรงกับคำว่าอเนกสะตะโกทโยเป็นภาษาบาลีมากกว่าร้อยโกดจะมาในข้างหน้าก็มากกว่าร้อยโกดมาเป็นยุคยุคยุคยุคยุคล่วงไปแล้วก็มากกว่าร้อยโกดร้อยโกดพระองค์ มีคาสอนเป็นอันเดียวกันเลยไม่ได้รบลางพอรอบอรกันเลยเพราะมันถูกแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นโผล่ขึ้นมาในโลกก็มีคำสอนเป็นอันเดียวกันยืนหยัดคำสอนอันเดียวกันทาเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว กฎหมายจะตั้งเท่าใดมันก็ไม่อยู่กฎหมายของชาวโลกอู๋ของธรรมไม่ํำคำหนึ่งก็มัดที่เพื่อนเพื่ององอาศัยทำความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับและมีคำยอนถามอีกว่าใครเป็นผู้บาบัญญัติบาบุญคุณโทษถูกขอตอบตามเป็นจริงพระสมาธุพุทธเจ้าเท่านั้นบัญญัติบาบุญคุณโทษถูก เหลือน้องนั่นก็เ ข, ขเข้าข้างตัวบ้างาก็เข้าข้างพักของตัวบ้างเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามีกิเลสเป็นนายหน้าย่อมเข้าพักของตัวบ้างย่อมเข้าข้างตัวบ้างเป็นอัตวาทุปปาทานเขาเข้าข้างตัวแล้วเข้าข้างพักของตัวบ้างผู้มีกิเลสน้อยก็ดึงเขา น, อน้อยผู้มีกิเลสมากก็ดึงเข้าพักของตัวมากส่วนพระพรทมาศาสดาไม่ได้เข้าข้างพักใด เอาศีลทาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาเลยผู้ใดเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยและมากในทางดีก็เหมือนกันในทางขั้วกเหมือนกันไม่ลําเอียงก็เข้ากับชันานวันละเลยพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองก่อนแล้วสอนท่านผู้อื่นให้รู้ตามด้วย พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติมาให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยอาการเพื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน3มอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมจะควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจจะตรองตามให้เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติ โอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเว้นจากทุจริตคือวัฟซื่วด้วยกายวาใาใจประกอบสุจริตคือวัฟช่อด้วยกายวาจาใจสามกระทําใจของตันให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคปวดหลงเป็นต้นเราจนะสาธนาเอา้าถ้าชาวโลกมีสินฮาบรลิบุลสงคราม ไ, มไหมไม่ไม่มี ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซตรวนก็ไม่ต้องมีคดีดงคดีแรงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโรคเอดก็ไม่ต้องมีใช่ไหมนั่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่โรคอนัลมานอยู่นี่ก็เพราะไม่มีศีลห้าใช่ไหมถ้าโรคมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งกฎหมู่ก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งเพียง งบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วส่วนที่จะงบประมาณพอดีหรือภาษีอากรพอดีนั่นก็ต้องอาศัยหลักธรรมอีกถ้าจะเก็บภาษีมากเกินไปอย่างนี้ประชาชนก็ลำบากถ้าเก็บเล็กน้อยรัฐก็ไม่พอใช้ก็ต้องอาศัยหลักธรรมอีกเหมือนกันให้พอดีพองามทีนี้ ถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันหลวงปู่เห็นแล้วสิ่งไหนที่ทำกรรมไม่ดีเห็นกับชาติเลยไม่ต้องเล่าชาติก่อนสิ่งไหนที่หลวงปู่ทาไม่ดีหลวงปู่ก็เห็นแล้วสิ่งไหนที่หลวงปู่ทำดีหลวงปู่ก็เห็นแล้วอายุยืนถึงขนาดนี้แล้วเราทำอะไรจึงได้ประโยชน์ในทางที่ไม่ดีอย่างนี้ก็เพราะเราทำอย่างนั้นตอบจนได้ เราทำไมจึงมีโรคหัวใจตีบส่งเลือดไม่ทันก็พระนึกเขียนว่าเราไปยิงนกเขายิงเข้าที่นี่อายุสิบห้าปีได้นกเขาตัวเดียวอยู่มาสองพันห้าร้อยสามสิบก็ระเบิดขึ้นนี้เกือบไปโรงพยาบาลไม่ทันมันเห็นมาอย่างนี้เห็ุฉะนั้นหลวงปู่จึงเชื่อกรรมและผลของกรรมมากทางอื่นก็มีดัานอื่นทบเีแต่พูดเพียงเท่านี้ก็พอแล้ ส่วนทางดีก็เหมือนกันได้ทําอะไรไว้ในทางดีก็เห็นหมดทางชั่วได้ทําอะไรไว้ก็เห็นหมดเป็นเด็กเรียงโคหากบได้เด็กเลียงโคอายุสิบห้าปีแล้วก็เอาเชือกผูกเอวของมันให้หิวไปพอถึงเวลาจะทานอาหารเอาหัวเข้าพันแอวไปพันเอวไปทุบหัวกบเปร แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไปปิ้งที่นี่ชอบตับมันแล้วก็ชอบพุงมันกินพุงกินตับมันมากเดี๋ยวนี้ก็โรคหัวใจถุงดำดีโรคหัวใจขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> น, นั น, นฉันยาหมดเงินร้อยหมื่นร้อยแสนแล้วนยพอกระทางปทางเพราะไม่ผ่าตัด สมาทานไม่ถ่าไม่ตัดและพยาพับและสมาทานไม่ไปโรงพยาบาลนอนข้างเกินด้วยทีนี้เรื่องกบทีนี้เรื่องผูกเอวกบผูกป้ายตายที่ไหนก็ปิ้งเลยเพราะเป็นเรื่องโคโคเจ้าของกันเองกระเบอือของของเจ้าของกเองนี่นี่นี่นี่เช็คขัดหัวงูได้ใส่ไว้นไงถ้าเป็นโรคไข้เลือด สามารถทำแม่ผ่าไม่ตัดนี่เข้มพัดพวกงูใส่ไว้เนี่ย 2,522 เลยระเบิดเกิด น, นี่ไปจับโคช่วยเขาตอนตัวเดียวเท่านั้นแหละได้ทีเลยเขาจะตอนให้มึงให้มึงอ้วนๆมึงอยากขี้เหร่มากมึงอย่าร้องเนอะที่เนี่ยมันปวดลูกอันทะมันมันก็ร้องที่เนีเ้ครับเพียงเพีงเพียงเพียง แล้วก็หัวละมันถือเป็นของสนุกเขาจะแปลงลูกแปลงโฉมให้มึงถ้าไม่ทับลูก อ, อันทะมึงมึงก็ไปเที่ยวชนเขามึงก็พร้อมขายไม่ออกพูดล่อมันเล่นอายุยี่สิบปีสองพันห้าร้อยสองพันสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่อพันสี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดิบส ไม่ใช่ไม่ใช่สองพันสี่รอยเจ็ดสิบห้าพระบวชคราวก่อนมันบวชสมัยเป็นคนหนุ่ม 4, 000, สี่ภาษาราซึกขาออกมาแล้วก็มาคัดเลือกทหารปีปีเปลี่ยนการปกครองสองพันสี่ร้อยเ็ดสิบ้านั่นเนี่ยก็ไปสร้างคารวาสอยู่สิบปีจึงได้มาบวชอีก มาบวดคานี่แต่2486จนทุกวันนี่้กรรมและผลของกรรมหลวงปู่เห็นใครยังไม่เชื่อหลวงปู่จะเชื่อจนวันตาย <c oughs> <c oughs> ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีทีนี้พระเรมศาสดากับพระโมคคลาพระโมคคลาขึ้นไปภูเขาคิดจะกูดไปเห็นเปรต เป็นมาสองปากตัวเดียวเป็นมาสองปากมีสองคอออกมาเป็นมาสองปากตัวเดียวมุคคันดาก็ยิ้มพระพธพระพุทธเจ้ายิ้มทําไมพระทั้งหลายไปด้วยพระจะพวกเหล่านั่นไม่มีตาทิพย์พระพุทธเจ้ายิ้มทําไมเออพวกพวกพวกคนไม่รู้อินโหอินเออะไรดอกลงพระหาพระบรมศาสดาชียกร เราจรึงจะปลาลบกราบทูลท่านพวกคุณจึงจะเชื่อถ้าเราพูดอย่างนี้พวกพวกคุณก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเถียงกันเล่นไม่มีประโยชน์ไปก็ออกจากนั่นไปอกีกก็ยิ้ม อ, อีกเออคงไม่เหตุ อ, อีกเออเหตุอันเก่านั่นแดดจะแปลแต่กเป็นค น, น, นเรื่องลงไปนี่จึงจะกราบทูลพระบรมศาสล า, ศ า, ศาพวกคุณไม่รู้เอีโนอีนี่ยิ้มหลายข้าง ที่พอลงมาถึงพระบรมศาสนาเวลุวันสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดป่าเวลุวันนี่กะรันดะเป็นที่อยู่ของกะเตวัดป่ามีมาแต่ข้างโบราณเน้อกราบเท่าของกาบเท่าทุนเรียนองพระบรมศาสลาเป็นมาสองปากมีไหมพระเจ้าค่ะ ก็พวกเธอไปพูดกันอยู่ข้างพวกอยู่ภูเขาคิดจะกูดลงมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเราได้ยินเสียงพวกเธอพูดอยู่เรามีหูทิพย์เหมือนกันมันก็มีสิมันเป็นยังไงก็จะค่าแต่มันเป็นมนุษย์มันเป็นทนายความมันกินทั้งโกรธทั้งจำเลยจนหมดเลยมันตายแล้วมันก็ไปตกนรกหลายแสนปี ออกจากนรกมาแล้วพอมาเป็นเปรตอยู่นี่หลายร้อยปีแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเปรตไปอีกเปรตที่มีหลักฝังอยู่ที่หัวนั่นมันเป็นยังไงพระเจ้าข้ามันอยู่ในมนุษย์โลกมันไปถอนหลักแดนไร่แรนแดนนาของเขาลักเขตแดนที่สวนที่นาเขาดํามันก็แย่งเอาทีถอนทิ้งแล้วมันแย่งเอา บางทีมันก็ถอนทิ้งเฉยๆมันตายแล้วก็ไปตกนรกออกจากนารกมาแล้วก็บรรดามีหลักฝังอยู่ที่หัวไกวตรงเตงีงตรงเตงีย ง, งลอกครางอยู่มันหนักมันทานไม่ไหวมันจะอยู่ร้ายแสนปีอยู่ทีนี้ต่อไปเอกยังมีอัคโคทีนี้อันนี้ปารับชั้นนี้เพื่อให้ ล, ล, ลูกๆแลรหลานเชื่อกรรมและผลของกรรม พอแล้วอันนี้ไปรูปเรื่องอื่นต่อไปพวกโลกๆแลนหลานภาวนาะอะไรบ้างทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันก็ขาสองแขนสองหัวหนึ่งเหมือนกันทำไมจึงไม่เหมือนกันตลอดถึงผิวพรรณน่นนะะรู ป, ปรูปผิวพรรณสันทัดต o p ฮะกรรมและผลของกรรมไม่อยู่ระดับเดียวกันใช่ไหม เออถูกแล้วทีนี่เราเกิดมาในเมืองมนุษย์นี่สิ่งใดที่สมประสงค์บ้างทำไมเราจึงอาบนา้ำตอบทำไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะร่างกายมันสกรปรก เ, ออเพราะจิตใจสกปกใช่ไหมถูกไหมทีนี่ถ้าเรา เห็น่าเกิดแก่เก็บตายโลคโกรธหลงมันเป็นทุกข์การปฏิบัติเพื่อพ้นจากเกิดแก่เก็บตายแล้วเราโกรธหลงก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคือพ่านิป่านใช่ไมถ้าหากว่าเรายังหลงอยู่การปฏิบัติเพื่อไม่ให้หลงก็ต้องมีใช่ไมเราหลงอยู่ทุกวันนี้เราหลงอะไรบ้างเราหลงหนังหุ่มอยู่ได้รอบว่าเป็นของสวยของงามใช่ไหม เราหลงหนังห uh ุ่มอยู่ได้รอบเนี่ยว่าเป็นของเที่ยงใช่ไหมเราหลงหนังหุ่มอยู่ได้รอบเนี่ยว่าเป็นของสุกใช่ไหมเราหลงหนังหุ่มอยู่ได้รอบเนี่ยว่าเป็นของตัวตนใช่ไหมเหตุฉะนั้นการปตรวติเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงจริงมีใช่ไหมทีนี่ถ้าว่าเราเรายืนยันว่าสักคนในร่างกายของพวกเรามันสวยอย่างนี้ลอกหนังออกเหมือนกบทีนี่คนผู้สวยๆนะ พวกที่ลูกๆสำคัญว่า ส, สวยๆนะลอกหนังออกเหมอนกบปุดทึ่งเลยนะสองตังเอาไหมไม่เอาถ้าไม่เอาสองตังที่พระบรมศาสดาบอกว่าสกนร่างกายของเรามันสกปกโสมมของดี่ฉันสวยมากไม่สกปกโสมมดอกอหอมเหมือนไฮเป๊กเราจะตอบท่านได้ไหม เมื่อเราเจรวจสอบทาไมได้เราก็จำน้นพิจารณาตามเป็นจริงใช่ไหมนะเกิดมาแก่เก็บตายเป็นเป็นทุกข์ของดิฉันดิฉันไม่เป็นทุกข์กับผมไม่เป็นทุกข์มีแต่สุขทั้งนั้นไม่มีทุกข์เลยเราก็เถียงท่านไม่ได้ใช่ไหมถ้าเถียงท่านไม่ได้เราจำเป็นก็ต้องได้จะพิจารณาตามเป็นจริงใช่ไหมนะ ทีนี้ทำไมพระรหัารจึงเบื่อในโลกพระพระท ห, หารหาความสุขในโลกไม่เจอไม่จักไม่พบไม่ประไม่เห็นเลยสุขของกระหัตก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรั์ บ, บริโภคพอดีพงงามสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นศิน ซุกเกิดแต่ทำการงานที่ปาฏิจารโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอานิจังเกิดขึ้นได้ก็แปรปวนและแตกสลายไปได้ได้ได้โล้วนอนิจังได้ได้ลรล้วนทุกขงังได้ไดโลรล้วนอนัตตา อยาสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอดีตคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอานาคตคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยังมามาถึงปัจจุบันก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่เราพูดแต่ละคำละคําก็ล่วงไปล่วงไปแล้วนึกขึ้นมาแล้วเราก็พูด ลก็ล่องไปล่องไปลงไปนี่คืออันนี้จังอันละเอียดใช่หรือไม่เรากําหนดลมให้ใจเข้าออกพอเรากําหนดว่าเป็นต้นลมมันก็กลายมาเป็นกลางลมมันก็กลายมาเป็นท้ายลมพอเราสมมุติว่าลมหายใจออกแล้วตั้งต้นแต่เดือก็เป็นต้นลมก็กลายมาเป็นกลางลมคือหัวใจแล้วก็กลายเป็นท้ายลมคือปลายจมูกนี่โพดยาวเกินไปะ เราปรากฏว่าลมหายใจเข้าที่ดั้งจมูกเราจับไว้แห่งเดียวมันก็กลายมาเป็นกลางลมมันก็กลายมาเต็นเป็นท้ลมที่นี้ลมออกเราสมมติว่าออกแล้วกําลังผ่านดั้งจมูกมันก็กลายมาเป็นต้นลมกลางลมท้ลมไม่เกิดไม่ดับทัมพยพยุตอยู่หาสว่างไม่ได้เกิดดับเร็วนะักจนติดกันเป็นพืดนักแสงไฟผู้ใดเห็นความเกิดดับ มีชีวิตอยู่วันเดียวก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นความเกิดดับมีอายุตั้งร้อยปีพระบรมศาสด า, ศ า, ศาคำสอนพระพุทธศาสนาะเป็นคำสอนที่สอนให้มนุ์รู้เท่าความหลงของตนไม่ได้พอกพูนความหลงของตนคำสอนพระพุทธศาสนาะสอน ให้ไล่กิเลสออกจากจิจพระสวัสดิบาลไล่กิเลสออกจากกิกออกจกกเป็นเอกเทศพระสักทาคาเม่ไล่ออกกว่านั้นเอาอะไรไล่เอาสติเอาปัญญาเอาธรรมวินัยเอาศีลวัดภาวนาวัดการศีลภาวนาไล่ออกส่วนพระทหารไล่ออกหมดแล้วมีแต่ทำมันไม่เกิดไม่ดับเป็นนายหน้าส่วนพระสักทาคาเม่ยังเหลืออยู่ นิดหน่อยซึ่งนอนเนืองอยู่ในคันท่าสนานไฟพระสวสดามันไล่หยาบๆยาบออกแล้วไม่เสียดายล่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากจะล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกพยยามนี้ไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นพราะเห็นว่าพระพุทธศาสนาะสอนมนุษย์สมบัติ สอนสวรรคสมบัติสอนพรหมสมบัติสอนเนปานสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีนักธิใดๆจะสอนเหนือพระพุทธศาสนาไปเหตุนั้นจึงไม่ได้ลังเลในพระพุทธศาสนาเลยไม่มีสักยทิฏฐิความเห็นถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาไม่มีวิกิคิดชาความลังเลสงสัยในพระพุทธศาสนาไม่มีศีรพัตปารามาไม่รลบครัม คำสอนของพุทธศาสนาเลยเหตุ น, นั้นจึงดิ่งลงไปจึงยินยันว่ายังกิงใจรัตนังโลเกวิจติวิธรรมพุทธรัตนังพุทธสมางนักติตัตมาสูตรที่พตตรติรัตนใดในโลกนี้จะเส ม, มอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนักที่มีารัตนังอันอย่างสนละลอื่นของเราไม่มีพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เท่า น, นั้นเป็นสนะของธรรมเจ้าเหตุนั้นจึงผึ่งผายองค์อาจดืนยันแต่เฉพาะตนเป็นสัมทิฏฐีโก เป็นปัจจัตางเห็นเฉพาะตนไม่มีใครมาช้าให้เห็นเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังชัดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ได้ดงละเมิดศีลห้าเพราะเห็นว่าเป็นเวรเป็นภัยจริงๆเห็นดิ่งลงไปทางเห็นดิ่งลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกแผ่นดินน้าสองแฉมสี่หมื่นโดดเขาเอาลูกระเบิดปรมาณูทําลายแตกถ้าเห็นดิ่ง เชื่อคาช้อนพระพุทธศาสนาแล้วใครก็ทําลายไม่แต่จะตายมากกว่าแม่ที้งแม่ทายในท่อมหาสมุติเขากิตใจเขาความสมาทานว่าจะไม่หนิจากาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือภูมิของพระสุปฏิปันโนไม่ใช่ได้ร้องละเมิดศีลหา้าไม่ใช่ได้ร้องละเมิดอบายยมุกเพราะเห็นว่าอบายยมุกทุกประเภทเป็นทางชิบหายไม่มีสารอุทธรเลยเรียกว่าดวงตาเห็นดำทีนี่เราไม่ใช่ได้ ลงลวยหลุมฐานเพลิงไม่ใช่ได้อยากจะเอาน้ำลายที่วนทิ่งมาเข้าปากเอกใช่ไมันหนักใจไม้มมันก็ไม่หนักใจเพราะเห็นชัดแล้วว่าไม่มีประโยชน์ท่านผู้พ้นจากบ่วงอันนี้ก็อย่างนั้นไม่ได้ระวังยากอา้าพูดสูงไปหาต่ำไปหาสูงไ ป, ส, งไปสูงมาหาต่ำรุดขึ้นรุดลงเหืันหาใจเข้าออกเนาะ พระทหารรักษาจิตหรือไม่ถ้าหากว่าพระทหารรักษาจิตอยู่พระทหาพระพระทหารก็ต้องเป็นคนคมเป็นคนขุมนักโทษใช่ไหมพระระวังนักโทษจะมาทำอันตรายตนด้วยระวังนักโทษจะรักหนีด้วยพระทหารก็เป็นทุกข์ตายใช่ไหมพระทหารไม่ได้รักษาจิตเพราะจิตของท่านไม่มีกิเลสท่านจะรักษาทำไม่แต่พวกเราไม่รักษามันก็พิษจริง ๆ, ๆใช่ไหม เอออันนี้ควรคิดเหมือนกันเน้อนกบินในอากาศวันยังค่ําไม่มีรอยเม็ดเชือน้ําวันยังค่ําก็ไม่มีแผลคือความนึกคิดของพระสนความเป็นเครื่องสัญจรของโลกพระบรมศาสตรนกบินในอากาศก็เหมือนความตึกนี่เองบินไปวันยังค่ํำเราไปถ่ายเอาก็ได้แต่ตัวของมาันรอยมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นจะแล้วเี็ดเชือน้ํำก็เหมือนกัน นี่พูดสูงใชนทีนี้พูดต่ำลงมาเองใช่ไหมพระมาหันหาความสุขไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปบไม่เห็นเลยแต่เราทำไมเราจึงไม่เบื่อหน่ายทำไมเราจึงไม่เบื่อหน่ายความหลงของตนก็พระยืนยันว่าตนเห็นถูกแล้วมันก็ไม่เบื่อหน่ายใช่ไหมทีนี้ของทิพย์ทีนี้มแม่รงวันก็ยืนยัน ว่าโรคทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์ของเราเกิดแล้วมันก็อาศัยมวลขวดเป็นของทิพย์ของมันใช่ไห ม, มแมลงพึ่งมันก็บอกว่าโรคทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์ของข้าข้าปรือไปเดี๋ยวเดียวก็ได้เจสอนดอกไม้มาข้าเจ้าปรือไปเดีย ว, ยวก็ได้ของกปุกมาแต่ว่าเบนสูงไม่ได้เหมือนแมลงพู่แมลงพึ่งใช่ไหมเอ้า ข้างพุทธการใครเรียนนโมจบนโมแปลว่าน้อมสวดทタวันเรียนนโมไม่เขารบจนไม่ล่วงละเมิดชิ้นห้าดังที่ว่ามาแล้วนั้นไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดชิ้น้าดังที่ว่ามาแล้วนั้นอบัยมุขก็ไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดยนโมจบเบื้องต้นสักขาคามีละเอียดไปกว่านั้นอนาคามีละเอียดไปกว่านั้นพระอรหันต์เรียนนโมจบ คือละโมไปว่านอบนอบนอบนอบจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายนอบนอบจนไม่มาโรคมาโกรธมาหลงใช่ไหม ปัจจุปนันคโยธรรมังผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนงานคอนเกรนในทางพระพุทธศาสนาเลยปัจจุบันของพะสูดาบันปัจจุบันของสักทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอรหันต์ปัจจุบันของพระปัจเจ้าปัจจุบันของพระสมณะพระพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีญาณเจริญปัญญาต่างกันใช่ไหม ความเห็นของปัจสดาบันความเห็นของสักทาคามีความเห็นของพระาณาคามีความเห็นของปรอารหันความเห็นของปัจเจกความเห็นของปัปจมปสมาสพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมียิ่งยอนกว่ากันที่พระเประโรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าพระมหาจารีบุตรมีปัญญามากแต่ก็ไม่เสี่ยวพระเประโรมศาสดาใช่ไหม บัญยัติว่าพระโมคขลาเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่เสี่ยงพระบรมศาสดดาใช่ไหมบัญยัติว่าพระศรีบาีเป็นผู้มีลาภมากแต่ก็ไม่เสี่ยพระบรมศาสดาใช่ไหมบัญญัติว่าพระอนุรุทธเข้าฌานทันพระบรมศารดาแต่ก็ไม่เสี่ยพระบรมศาสดาใช่ไหมพระพุทธสีจำพวกชมาชพุทธจำพวกหนึ่งพระเจกพุทธจำพวกหนึ่งราก สาวิกาพุทธะจำพวกนั้นแล้วก็พุทธะสีจ่จำพวกอรหันต์สีจ่จำพวกก็ว่าอรหันต์อีกสีจ่จำพวกอีกยังมีอีกเป็นภู่ิของสาวกสุไัยปัจโกผู้จเจริญวิปัจนาร่วนเตวิโชผู้ได้วิถาสามเชลพินโยผู้ได้อภิญญาหกปฏิสัมพิทาปโตผู้แต่ฉานปฏิสัมภิสี สำหรับภูมิชาวอกทำแกระบดระบาดส่งต่อพระเนปานหมดผู้สร้างมันเกี่ยวกับผู้สร้างมันมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่า น, นั้นที่นี้ยกษ์กา h พระบรมาราสดาประเทศพระพากุละซึ่งเป็นโยมอยู่ออพระพาหิยะเป็นโยมอยู่เมื่อรบกวนให้พระบรมศาสดารเทศกำลังบินธบาท พอพระบรมศาสีามองเห็นเออคนนี้จะสําเร็จพระรหัสในวันนี้รู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าพูดไปตามกรเฉยๆเพราะกอนพาไปพอแป๊บเห็นพระบรมศาสรีรารู้แล้วคนนี้จะสําเร็จพระรหัสในวันนี้และเขาจะมาถามปัญหาเรารู้แล้วรู้แล้วพัเดเรยวเลยทีนี้ก็มาถามข้มกล่าบเท้าทุนเรียนถวายพระบรมศาสรีรา ก็ต้องการฟังเทศเออในเวลานี้เรากำลังบินทบายอยู่ไม่สมฐานะเออบางทีพระบรมาสารดาชินลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเก้าสชินลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้ในที่ว่านี้ไม่ได้หมายว่าพระบรมาสารดไม่ไม่ไม่ทรงรู้แต่ก้าป่ารกไปตามแถวเฉยเพื่อให้พระขี่เดินตามหลังฟัง พระบรมศาสดาเขาบอกว่าเออถ้าไมันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเนอครับขอแล้วแต่ฌานในพระที่สัมพิทาสี่เป็นพระรหันต์แต่ฌานในพระที่สัมพิทาสี่โยมไม่ใช่พระนั่นทไมจึงว่าอย่างนั้นเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นคือไม่ยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสักเป็นบุคคล ไม่ยึดําไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่สําคัญว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นตนทีนี้อัตวาทุปท า, านแตกกระเจิงแล้วทีนี้กามโปพาทานถือมันในกามที่ทุปท า, านถือมันในทิฏฐิชีละประตูปาทานถือมันในสินพฤก็แตกกระเจิงไปณที่นั่นเอง อดีตก็ไม่ติดอยู่อนาคตก็ไม่ติดอยู่ปัจจุบันก็ไม่ติดอยู่ผู้รู้ในอดีตก็ไม่ติดอยู่ผู้รู้ในอนาคตก็ไม่ติดอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลผู้รู้ในอดีตมันก็ล่วงไปแล้วผู้รู้ในอนาคตมันก็ล่วงยังไม่มาถึงผู้รู้ในปัจจุบันมันก็ล่วงไปแล้วเห็นนั่นท่านจึงมายึดถือสิ่งใดๆในโลกก็ข้ามจเฉยหลงไปซักคือท่านเทศอนาตาที่ฟังเพราะเหตุไดเพราะเหตุว่าท่านจ้างบารมีแก่กล้ามาแล้วตั้งแต่ขั้งพระเจ้า กัจจปักษ์นเหตุนั้นจึงว่าทําแต่ละบทระบาดส่งต่อพัฒนาลหมดมันขึ้นอยู่กับผู้บาลมีแฉก้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นพุทโธคําเดียวก็ส่งต่อพัฒนาได้พุทโธไปพามาเกิดพุทโธไปพามาเก็บพุทโธไปพามาตายทรมโมก็ส่งไม่ซึ่งทําอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายสังโฆก็ปฏิบัติทําอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตาย มันก็รวมพลเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในตัวมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนนะ่นะทีนี้ท่านชุ ก, กรคาตาชายคนหนึ่งไปฟังเทศพระบรมศาสตาพระบรม ศ, ร ศ, รศาสตาเทศว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกสลายดุดดังหัวฝีท่านท่านรู้จักมารไหม คือเวทนารูปเวทนาชัญญาสังขานั่นแหละเป็นมารเกิดขึ้นแล้วก็จับไปไม่มีจำลังยั่งยืนเลยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนจิงที่ไม่ตัวตนนั่นเองไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลในตัมามมะในโสหามัตสเมนะเมโสจง รู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้เสมอเส ม, อ, สมอรู้ตามเป็นจริงซักคนนั่นถึงไตรยศนคมแต่พระสาไดบุตรทํางานพัดอยู่ข้างหลังพระบรมศาสตร์คงเป็นฤดูร้อนที่ทำชุกกรขาตาข้างภูเขาขิดตะกุดเอาพระหันหไปกินแล้วเนี่ยพวกนี้นั่งฟังสเฉยๆนั่นกันเทศกันเดียวกันคนหนึ่งตกนรกคนหนึ่งถึงไตรยศนคมคนหนึ่งถึงวัชิสัมพิาสี เน่กคนหนึ่งถึงพระรานคนหนึ่งก็ถึงสุปัจนโโนก็มีเหตุนั่นก็อาศัยปลุกเพชงสกทาปูญญาตาพูดจะทำความดีไว้ในฟังก่อนพวกเราปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ในวัตฏะ่องศารก็เรียกว่านักทาเอกปฏิบัติธรรมเพื่อลาภเพื่อผลเพื่ออะไรก็เรียกว่านักทมตรีก็เรียกว่าโรกีแต่น้โมของนโมของพวกที่อยู่ ต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาก็เป็นนมโมเลขนมโมผานามโมบัตต์นมโมเบอใช่ไหมพุทธโอเลขพุทโธผาพุทโธบัตตพุทโธเบอร์ใช่ไหมส่วนพุทธโธธโมสังโฆของพระโสดรวันพุทธโอนิพานธโมนิพานสังโฆนิพามมนเพราะเกียรตนาของเราอยกตั้งมาอย่างนั้นเพื่อถึงพรญภิพานทีนี้ใครจะถามเรื่องภาวนาก็าถามซือ อันนี้เป็นโบหานจะใฉยหรอกโบหานก็หานลงมาหาใจโบหานก็บโบฮอนก็อันเดียวกันก็หานลงมาหาใจฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะพียญญนต์นประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาหมั่นติตองพิจา ง, งาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีปริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิใส่ ศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติเลิกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาก็รวมพลอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง เหตฉะนั้นปฐมอการข้างพุทธการจริงไม่มีปาราชิกสีสังฆาทิฏฐิสามอันนี้ยศสองในทศกิเลปยติสามที่ปยติเขี่สองปฏิเสธอนนียศสีเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นดอกบัวบานแล้วดอกบัวเป็นตูมพอได้รับรับสมีมาก็บานหอกพวกเราไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบเห็นไหมนะพวกเราไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบหรือจะเป็นมดหรือจะเป็นปลาอยู่ก็ไม่ทราบ หรือจะเป็นเขาชวนไปวัดกูไม่ไปอืมแต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ทราบสมัยนั้นพวกเรากูไม่ไปหรอกมันไม่มีประโยชน์คล้ายๆคำวมานั้นถ้าเขาถามพวกพวกลูกพวกคุณไปเยี่ยมหลวงปู่ล่าได้อะไรมาบ้างก็ได้พุทธธรรมสงฆ์ตามเดิมนั่นเองพุทธธรรมสงฆ์ของพวกคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่หัวใจพูดอย่างนั้นเน้อ เอาพุธทธธรรมสงไปด้วยเอาพุธทธธรรมสงมาด้วยมาอย่างนั้นเน้อธรรมชั้นสูงผู้ใดต้องการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพือ่อเอาลมหายใจเข้าออกผู้นั้นสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วเอา้าลมหายใจเขาออ้าดึงกรรมฐานสุกอย่างมาเลยลมหายใจเข้าออกความตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไหม Ja. ความเกิดดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใช่มไหมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านพวกเมีคุณก็ไหลสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไหลสู่คุณพระนพานพระนิพานความดับเพลินในวัฏฏะชงสารก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมอะไรอะไรก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมดินน้ำไฟลมก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่า เราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้านา้าจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีไม่ใช่มันมีอยู่ก่อนแล้วถ้ามันมีอยู่ก่อนเราเขาพิจารณาไม่ได้เหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าข่าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำพระบรมศาสดา พระองค์เจ้าองค์ไหนๆก็มาเคารพทำเหมือนกันมีคําสอนอันเดียวกันไม่รับล่างพรบกันเลยแต่พวกเราเชาวโลกยุ่งเหยิงกันเลี้ยกินตั้งพักตั้งพวกไหวพระบรมศ า, ศาสดาสอนโลกไม่ได้ตั้งพักตั้งพวกไว้ถ้าไม่เป็นธรรมก็มีอิสระที่จะคัดค้านได้ถ้าเป็นธรรมก็มีอิสระ ที่จะอนุโมทนาได้แต่พวกชาวโลกของเราตั้งเป็นพักเป็นพวกค่อยมากตั้งล่านพักมันก็ดึงกันไปล้านพักนั่นเองเพราะบรมศาสนามันจะตั้งไว้ปกครองโลกเดี๋ยวเขาก็มาขอเป็นเมืองขึ้นนั่นไม่ได้รบราข่าวฝันยากเลยแต่พวกเราชาวโลกลําบากมากการตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกไม่มองดูพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดใช่ไหม นั่นเพราะกิเลสมันมีทีนี้เราก็หาอุบายถามผู้แทนผู้แทนคุ้นเชื่อกับเรามีคนหนึ่งผู้แทนมามาทิศลาเราหาอุบายถามขอให้ถือว่าเป็นลูกห ล, ล, ลานกันเดี๋ยวไปถือสาหลวงปู่นะหลวงปู่จะถามลูกห ล, ลานกันว่าทำไมพวกคุณจึงไม่เอา กฎหมายไว้สักข้อบ้างพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาไปจำชาติไทยมาแต่ดึกดําบันทําไมพวกคุณจึงไม่เอาไว้สักข้อบ้างพวกคุณขี้ขาดใช่ไหมพวกคุณจะเบียดเบือนพระพุทธศาสนาใช่ไหมพวกคุณเกรงใจชาวโลกใช่ไหมแล้วไม่ใช่กฎหมายโลกกฎหมายประเทศของเราทําไมจึงไม่อาจหารพวกคุณขี้ขาดพวกคุณ จะบิดเบือนพระพุทธศา ส, สนาใช่ไหมไม่ใช่เราครับกำลังเถียงกันอยู่เถียงกันทำไมกาลังจะหาเสียงกาลังจะหาเสียงว่าผู้ยินดีในพระพุทธศา ส, สนามีเท่าไหร่ให้ลงคะแนนมาจะไปหาเสียงทำไมพระตไตรปิฎกไม่ใช่เสียงดอกหรือพระพุทธรูกฝังอยู่ที่ดินตั้งแต่เด็กดำมันมาก็ดีไม่ใช่เสียงดอกหรือ เราพูดทางนี้พระพุทธโลกเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เมื่ค้าแม่ชีพระบวชเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ไม่ใช่เสียงหรือไปหาเสียงทําไมจะไปหาเสียงกับแมลงวันมันจะให้คะแนนแมลงพึ่งไหมเรากขาพูดว่าอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเขาเขาด่าหลวงปู่ว่าสําหรับพระมาแหกเป็นการบ้านการเมืองเขาด่าพระว่า พระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเราก็ปพ่อย่างนี้เลยท้ทาทาทวะมนุษย์านางเป็นผู้สอนของเท ว, วดานมนุษย์ทั้งหลายพระพรมธศาสนาก็จะเข้าไปริญปานท่านก็สั่งไว้ว่าท่านทั้งหลายพกยุเอยสมเนรเอยอุบาสกอุบาสิกาเอยอันใดอันไห น, นไห น, ไหนเราก็บัญญัติของให้พวกท่านทั้งหลายหมดแล้วเราจะลาพวกท่านทั้งหลาย ไปสู่พันธุ์พันละถ้าหากว่าไม่บริวูเราก็จะไม่ลาพวกท่านทั้งหลายทำทั้งหลายที่เรากล่าวดีแล้วนั่นเองจะเป็นศาสดาของอุบาสกอุบาสิกาและพเพก่อสัมเนรพากัญญาได้ประมาทจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม้ประมาทเ ถ, ถิดดังนี้แล้พระบรมศาสตราสอนที่นี้ชัฏตาทเทวมนุษย์นาเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สัทถังสัพยัญชนะังเจวาราปริปุณางฏรสุทธุังผมจเรียงประกาศเสสิไม่ได้บูนทั้งอัฐะทั้งพยัญชนะแล้วต า, าาตาม ม, า ม, ามหาพระกัมมันตังในปุถยามตามมหาคระกัมันตังสีทศานะมาอันนี้ธรรมังก็เหมือนกันสังฆังก็เหมือนเหมือนกั น, น, ม น, กนไม่ใช่กราบว่าแบบโ ง, ง่ๆทีน่นี้พระพุทธศาสนาะสอนอุบาตกอุบาสิกาให้ประพฤติต่อพิคุสัมมนีแล้วปูจจะเล่าให้ฟังพวกคุณไม่ได้เห็นพระไตรภีรดก พวกอุบาสิกาปฏิบัติกับพระภิกษุสา ม, มเณรหนึ่งด้วยกายกรรมอาจทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวิจิกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้าไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยห้ามิจฉาทานภิกษุสา ม, มเณรได้รับบำรุงชนนี้แล้วย่อมอนุเคราะ วาศกวาศิกาด้วยสถานหกหนึ่งห้าไม่กระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้มใจอันงามสี 4, ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสวรคให้นั่นนั่นคำสอนพระพุทธศาสนาพวกท่านไม่ได้เห็นถ้าอย่างนั้นพระไตรปิฎก มีอยู่ในพระนครหลวงยิ่งมากทำไมจึงไม่เอาไปเผาไฟทิง้งสักเราก็พูดทางนี้เเหตุฉะนั้นพระพุทธสูสงจึงสอนที่นี่มันก็มีอยู่คราวาสความบาทคราวาสก็มีอยู่คราวาสประพฤต ย, ยังไงจึงค้ามบาศฆราวาสหนึ่งขนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพิษุตทั้งหลาย สองด่าวว่าเปลือยเปลยแห่งภิกษุทั้งหลายสามชุยงยุยงให้ภิกษุทั้งหลายแตกกันติเตียนพระพุทธติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์แล้วก็ความบาตระแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เห็นความบาตชะลอยญาติโยมจะประพฤติเหลือพระไปก็อาจเป็นได้หรือชะลอยพระภิกษสุสงฆ์เกรงว่าค้าราวาจะไม่มาใส่บาตให้ แล้วผมไมไ่เคยได้ยินว่าความบาดแต่ว่าเขารังเกียจพระพิคสู ง, สงเขาคว่มเองเขาพิคสู ง, สงไม่ได้ความทุกวันนี่เขารังเกียจพระพิุสู ง, สงทําไม่ดีแล้วเขาก็เลยไม่ไปคบไปต่อไม่ได้เคยว่าความบาดคณวาะสักทีเลยอันนี้ก็น่าควาคิดใช่ไหมแล้วก็พูดอย่างนี้ทีนี้ทีนี้แล้วก็เราก็พูดมาหลายอย่างอยู่ทีนี้พวก ยันต์ักก็มานี่หลายหลายพวกมาสองครั้งพวกอมาโรมาเนี่ยมาเยี่ยมหลวงปู่มาคาวก่อนห้างค์งมาคราวนี้มาสามสี่องค์ออกมาจากหลวงปู่เทศที่นี่ท่านก็มาถามเรื่องอันนั้นแล้วก็ตอบเป็นกลางๆว่านอกจากจำเลยและอุบานอกจากจำเลยและโจดไม่มีใครจะรู้เท่าดอก คนอื่นก็มีแต่ชะลอยชะลอยเท่านั้นนะพูดทางนั้นโจทดหาคําใส่จําเลยโจทย์ก็รู้จักอยู่โจทย์ไปหาคําใส่จําเลยโจทย์ก็รู้จักอยู่ที่จําเลยตามถูกตามคําว่าหรือไม่ถูกตามเขาว่าจําเลยก็รู้จักอยู่ก็มีแต่โจทย์และจําเลยเท่านั้นท่านผู้อื่นก็ชะลอยชะลอยอยู่เท่านั้นเองนะัวอย่างนี้ที่นี่ มันชุดท้ายเราก็ลงเอ่ยว่าถ้าท่านท่านผู้ใดลมลุ่มฐานเพลิงก็ให้ล้มฐานเพลิงตัดถินเอาตัดถินให้กันไม่ได้แล้วก็พูดอย่างนี้อลยถูกไหมให้ลุมฐานเพลิงสังขาร ย, ยายเอาแล้วก็พูดอย่างนี้ถึงไม่มีใครสามารถตัดถินได้ก็มีผลของกรรมอยู่ข้างหลังล้วก็พูดอย่างนี้เอ้า พว้ที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้คือใครที่ไปไม่ได้เมาส์ขี่รู้จักเมาส์ขีไหมฮะฮะรู้จักไหมคนภาคเอสารคำภาคเอสารไม่รู้หรือเมาส์ขี่มขาว เขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้พราะเขาจำตามสนองก็แตกกระเจิงใช่ไหมจับกลุ่มกันไม่ติดแต่พวกแทนเราอยากให้เป็นอย่างนั่นเนออือ้าเ อ, าเอาจะจะถามว่ามีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้ไหมผู้ทาผู้หาอบายทำลายพระพุทธศาสนาโดยทางตรงก็ดีทางอ้อมก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีหลวงปู่ให้ค้แนนว่า กองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าจะถูกไหมทีนี้ถ้าไม่มีผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นปาราชิกหมดข้างประเทศไทยศาสนาจะเสื่อมไหมก็ไม่เสื่อมศาสนาก็ยังอยู่เสื่อมแต่บุคคลต่างหาของใครของมันใช่ไหมถ้าว่าศาสนาเสื่อมเป็นพระพุทธเจ้าพอสร้างวารมีเต็มแล้วก็โผล่ออกมาอย่างพึงภายเลยเป็นพระพุทธเจ้าถูกไหมเดอ ถ้าไมมีผู้รูกพระนรพาลพระเนรพาลมีไหมก็มีอยู่ถ้าไม่มีผู้รูกสังขารสังขาร ม, มีไหมสังขารก็มีอยู่นะไม่ได้รบเรือนไปทางใดเลยใครเป็นผู้เสวยพระเนพาลก็พระเนรพาลเท่านั้นเสวยพระเนพาลไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปเสวยใช่ไหมพูดอยู่เดียวนี้คืออะไรคือสังขารจะกองทุกข์ใช่ไหมพระเนรพาล ม, มาดมาทูดพูดด้วยมาดมาฟังด้วยใช่หมนั่นไม่เคยได้ยินได้ยินซัก ในเรื่องของแปลกๆใช่ไหมแผนดินแผนฟ้าแผนไฟแผนลมนับแท้ไตแลกระธาเนี่ยไม่เท่าคุณของพระพุทธศาสตรสนาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาพระเดชพระคุณขององค์ท่านไม่มีประมาณด้วยคุณของปู่ของย่าของตาของยายของท่านผู้มีคุณเป็นเมืองขึ้นของคุณพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของคุณพันญิพาน เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะรู้แล้วไม่รู้ไม่เป็นปัญหาใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นปัญหาเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าจริงมีมากกว่าอสงไขยอสศงไขอีกด้วยล่วงไปแล้วก็อสศงไขาอขาศงไขจะมาครั้งหน้าก็อาศงไขอาศงไขนัดที่อื่นๆศาสนาอื่นๆพอเขาสร้างวัตถุมงคลมาแล้วเขาก็จับ มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดนั่นเองแต่บารมีของเขายังอ่อนอยู่เขาก็ต้องอยู่อย่างนั้นเอา้าพวกที่เรียนกอสะอาคาขอสะอาขาถ้าเขาพยายามเรียนอยู่ไม่ถอยเขาก็จะมารวมพลอยู่ที่ปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกนั่นใช่ไหมพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่รับจ้างไหม ไม่ได้รับจ้างถ้ารับจ้างให้เริ่อมใช้แล้วหมดเงินรับจ้างมันก็ขบดคืนใช่ไหมเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงยืนยันว่าสัมทิฐิโกให้เห็นเองถือพราบรามชาตินาเกลือเข้มไม้ขอให้คุณจิบดูสิถ้าจิบดูแล้ว่จะถามเอีกไหมไม่ถามก็ได้เจ้าค่าถูกไหมเวทนาในเวทนาพิจารณาในเวทนา เรารู้ดีอยู่แล้วว่าเวทนานี้มันเกิดดับเป็นเราจะยืนยันเราจะบังคับให้เวทนาสมประสงค์คือเราบังคับเวทนาให้สมประสงค์คือเราต้องการสุขเวทนาใช่ไหมสุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีหรืออุเบกขาเวทนาก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวเวทนาคือความสวยอารมณ์สุขทุกอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้ดับไป นอกจากเวทนาไม่มีอันไดจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรจะแปรปวนไม่มีอันไรจะดับไปนอกจากสัญญาไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรจะแปรปวนไม่มีอะไรจะดับไปนอกจากสังขารไม่มีอันไดจะเกิดขึ้นไม่มีอันไดจะดับไปนอกจากวิญญาณไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรจะดับไปเหตุฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นของไม่ที่จงเกิดขึ้นและแปรปวนและแต่กร้ายเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงซะจงปฏิบัติตามเป็นจริงซะจงลดทอนําเป็นจริงซะ ลดพ้นจากความหลงของตนอย่าไปยืนยันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณเป็นเป็นเป็นเป็นเราอย่าไปยืนยันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้อื่นอย่าไปยืนยันว่าผู้อื่นเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านทั้งหลายจงรู้ตักเป็นจริงซะเกิดขึ้นแล้วก็ไปพลอยแล้วแตกสลายไปไม่อยู่ในอำนาจของท่านในผู้ใดเลยเวทนาคือสุขเวทนาเกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากที่เราสำคัญว่าตาไปเห็นรูปแล้วมันสวยมันงามแล้วก็เกิดสุขขึ้นนี่ทุกขเวทนาถ้าไปเห็นรูปไปสวยไมงามแล้วก็เป็นทุกขเวทนาบ้างหรือไม่ยินดียนินไล่ก็เป็นอุเบีขาเวทนาเสียงก ล, ลิ่นรสทุตระพระธรรมมาหลงก็เหมือนกันชัต์ทั้งหลายทําไมจึงมีตาเพราะสัตว์สัตว์ทั้งหลายชอบเรียงเล่ดูรูปไม่อิ่มไม่เบื่อชัตทั้งหลายทําไมจึง มีหูเพราะชอบฟังเสียงไม่เบื่อไม่นายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิ่นลิ้มรส เ, เพราะชอบดมกลิ่นกลินที่มันหอมทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นเพราะชอบลิ้มรสที่มันถูกกับกิเลสสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีโทษชะพักระทอกกายเพราะสัตว์ทั้งหลายต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทอกาย สัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีใจเพราะชอบนึกคิดแต่ส่วนเพานั้นตาเป็นตาเป็นแต่สักว่าตาหูเป็นแต่สักว่าหูจมูกเป็นแต่สักว่าจมูกลิ้นเป็นแต่สักว่าลิ้นกายเป็นแต่สักว่ากายตามสมมุติใจเป็นแต่สักว่าใจตามสมมุติรูปก็เป็นแต่สว่ารูปตามสมมุติเวทนาก็เป็นแต่สักว่าเวทนาตามสมมติสัญญาก็เป็นแต่สักว่าสัญญาตามสมมุติ สังขารก็เป็นแต่สักว่าสังขารตามสมมติวิญญาณก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณตามสมมติเราเาไม่ให้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเลยเราไม่เอาสมมติกับวสมุติไปเป็นสงครามกันสมมุติก็ส่งคืนให้สมมติวิมุติก็ส่งคืนให้วิมุติเราไม่สาคัญตัวอยู่ในวิมุติเราไม่สาคัญตัวอยู่ในสมมุติเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีพระบรมสารนี่ช่ำชั้นสูงที่สุดเนี่ย อมวมาพุทธศาสนาเนี่ยใครนั่งนั่งภาวนาก็จะแข่งกันทางนั่งได้นานมันก็ไม่ถูกลูกๆเ อ, อ้ย อ, อ, อ, อกบและอึ่องอ่างมันนั่งอยู่ปีหนึ่งมันยังจะออกขั้งหนึ่งทำไมจึงไม่ว่าพระหัต์กบและอึ่องอ่างถูกไหมเราจะไปชั้นเกแข่งกัน มันก็ไม่ถูกลูกเอ๋ยถ้าเราไปชั้นเ ก, กแข่งกันเราทำไมจึงไม่ว่าอรหันบุ้งอรหันหนอนเราทำไมเราจรึงไม่ว่าอรหันโครอรหันกระบือเพราะมันกินแต่หญ้าใช่ไหมทีนี้เราจะไปชั้นเนื้อชั้นปลาแข่งกันว่าเป็นผูรหัน ทำไมจึงไม่ว่าอราหันเสือทำไมจึงไม่ว่าอราหันงูมันกินแต่ของเด็อบชวนการกินการฉันพระบรมศาสตาบัรญัติไว้พอแล้วไม่ต้องไปทุ่มเฉียงเกี่ยงงานงานกันดอกลูกเอ๋ยถ้าใครเดินจงกรมเก่งคนนั่นก็เป็นพระรหัรม่ามันวิ่งตั้งสามยอดทำไมจึงไม่เป็นพระอรหันถูกไหม มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาต่างหากนะพระบรมศาสดาเรานอนเรานอนในฌานถัดว่าอย่างนั้นเราไม่นอนเฉยถ้าวันไหนเรานอนไม่นอนหลับคาภาวนาเราเรียกว่าเรานอนประมาททพูอย่างนั้นทีนี้เราจะไปนั่งแข่งกันใครนั่งในานาคนนั่นภาวนาเป็นมันก็ไม่ถูกนั่นลุงปูลุวีลุงปูลุว จะนั่งหรื อ, อยืนเดินนั่งนอนก็ตามขอแต่ให้มีสติปัญญาก็พอแต่พูดอย่างนั้นน้องปุยพูดถูกกับเกิเดชของเรา